หาคม2534ก็คงพูดเรื่องปัญญาบารมีตามเดิมคำคำว่าปัญญาบารมีไหมตรอบ่าบารมีเต็มเห็นไหมบารมีครับเราเต็มกำลังใจเต็มปด้วยปัญญาคนเราทุกคนมีปัญญาถ้าไร้ปัญญาก็เป็นคนไม่ได้เห็นไห หรู้จักขี้ทำให้รู้จักขี้ก็กินขี้นี่เป็น ข, ขี้ของสัญาก็บอกว่าทุกคนต้องมีปัญญาถ้าบอกปัญญาบา ร, รมีบา ร, รมีไปหมดเต็มแต่ว่ า, าก็เต็มไม่เท่ากันเต็มขั้นชานโลกีเต็มขั้นระโสดาบันเต็มขั้นพระเศรษฐฐาค า, ามี เต็มขั้นพระอนาคามีเต็มขัดนระราษนี่เต็มเปี่ยมนะตอนนี้เ่าคืนนี่เราพูดกันต้งปัญญาบา ร, รมีตอนต้นยังไม่ถึงปสุตดาบันความจริงปัญญาบา ร, รมีตอนต้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าใครเขาทำบุญคำว่าบุญนี่แปลว่าความดีแต่ตรงตัวนะ บาปนี่ก็แปลความชั่วความชั่วทุกอย่างแปลว่าบาปความดีทุกอย่างแปลว่าบุญเมื่อคืนได้ยกตัวอย่างอย่างคนที่นั่งนั่งอยู่ไม่มีกระตังมาจะทําบุญกับเขาก็ไม่มีเงินจะทํายากจะทําเหมือนกันก็ดีใจกับคนนี้เขาทํา เขาทําก็โมทนาด้วยครับว่าโมทนานี่ไม่ได้หมายความว่าต้องยกมือเสมอไป uh huh. เอาใจเข้าไปยินดีกับเขา uh huh. โมทนาไปยินดี uh huh. เขาใจิตใจยินดีกับเขาด้วย uh huh. แค่ใจยินดีกับเขาก็มีมารใหญ่มหาศาลแล้วก็สวยด้วย uh huh. อย่างเพื่อนขอนาแนววิสาขาเขาซ้ำมาคืนหน่อยนะ uh huh. คนหน้าใหม่มี เพื่อนข้านาวิสาขาปรากฏในพระไตรปิฎกในวิมานวัตถุพระว่าพระมคกัลลาพาาระอรหันต์องค์ใดองค์หนึองอ่งนะท่านขึ้นไปแล้ววิมานนี้ท่านไม่เคยพบพระมคกัลลาได้ไม่พบไม่เมียเพื่อไปทุกคืนไปเที่ยวนรกแล้วไปเที่ยวสวรรค์แล้วมาแจ้งข่าวกับชาวบ้าน เพรายายของท่านที่ตายไปชื่อนั้นชื่อนี้นะไปโรคอะไรตายเวลานี้อยู่ที่นั่นเวลานี้อยู่นี่เขาสั่งมาอย่างนี่นางนีย อ, อย่างนี้พระเ ด, ดีทีจะอิจฉาชี่ด้วยแท้ฆ่าบุคคลาตายแล้วพระเจ้าจะหมดทางวันนั้นท่านก็ไปจะวิมานวิเศษคือยายคนนี้แกเพิงตายเพิ่งตายไปก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นี่แต่เป็นสตรโลกวิมานใหญ่มาก ใหญ่มหาศาลเลยนะสวยสดก็งามขนาดสารพิภูมิได้ถ้สารพิภูมินี่เขาทำ ท, ท่าโบสถะเมื่อก่อนนั้นฉันทาําศาลพระบาล ส, าสาั่งทําศาลใช่ไหมจะเอารองทางหน่อยสายพระจาวัดไปสร้างวัดที่ไหนถ้าต้องทําศาลสายของวัดนี่ต้องอยู่ทิศตะวันตกตะวันศานสี่เสาหรือหกเสาฉันก็ทำหกเสาก ว, ว้างเท่าไหร่ไหม กว้างสี่ศอกแล้วก็ยาวแปดศอกพอปานไปพบเขาเทวดาที่ไหนจะมาอยู่ว่าบอกผมครับว่างว่างเวลางานเลิกงานแล้วก็หลบไปนอนนี้ไอ้ใครไปเสืองมาแก้บนเทวดาชาแน่กินันหน้เจ้าของเลยครับ ไม่มีใครก็แก้บนได้แม้แมย้ำหมาโอ้ศาลวัดที่ต้องทิศตะวันตกนะต้องทิศตะวันตกแล้วหันหน้าก็ไปหันหน้าม่มีวันจำเป็นชาวบ้านจะไปตั้งทิศตะวันตกนะขออภัยเจ้าเขาใช้ศาสตร์ธรรมดาว่าทั้งชิพไถ่ถ้าตายโหเห็นมาแล้วสองรายภายในปีเดียวนะอย่าอย่ยุ่งอย่ายุ่งเชียวก็เป็นเพาะในเมื่อท่านไมนมีมารหลังใหญ่ สวยมากแล้วก็มีวิมานหลังเล็กๆสองหลังเป็นมุกใช่ไหมสนหรั บ, บนั่งเล่นมีต้นไม้ทิพย์รอบบริเวณมปนสวนใหญ่ริงเข้าไปถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานเจ้าของวิมานก็ออกมาพบท่านถามว่าพระกิน ด, ดูก่อนน้องหญิงถ้าอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้วิมานถึงได้ใหญ่มาก ถ้ามีหวานนั่งเล่นอีกมีสวนต้นไม้ดอกไม้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ตอบหน้าชื่นใจเป็นนักบุญจริงๆเป็นนักบุญมหาศาลแล้วแต่ก็บอกใจญเป็นแบบเพื่อทงวิสาขาหลงใช่ไหมในสาขามหาเศรษฐีไหมแต่ว่าใหญ่คนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีนางวิสาขาเป็นมห า, มหาเศรษฐีแต่ใหญ่คนนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเพราะนางวิสาขาทำบุญ แต่เองไม้จะใส่บาทรทัพพีหนึ่งแกไม่เคยมีเลยก็<อ>แต่ว่าอาศัยการโมทนานาวิสาขาทําอะไรก็ตามก็ก็โมทนาเลยยินดีด้วยเอาวิสาขาสร้างวิหารแกกดีกินดีด้วย <c oughs> สวยายผ้าตจจีวรแกกินดีด้วยสไหวอหารทักินดีหมดโมทนาหมด อ, อาศัยแค่โมทนาอย่างเดียวไปเกิดบุญสวรรค์ฉันจะดีมสติวันโลก มีมันใหญ่พระนิสาขาเจ้าบริหารใหญ่ใช่ไหมก็ใหญ่ตามกันนี่แต่คนที่มีปัญญาที่ปัญญาบารมีใช่ไม้มขนาดมีปัญญาบารมีก็ไม่ทาอะไรก็สามารถเป็นทางฟ้าได้ทีพระแต่ก็ถามบ่าเวลานี่มีมายพระนำสาขาอยู่ที่ไหนก็คือนี้ไม่ได้บอกเมื่อคืนนี้ไม่ได้บอกเขาแต่นนก็ตอบว่าด้วยมายของนิสาขาอยู่ที่นิมาลี ท่าดีห้าสวยสุดสวยงามมากนี่สำหรับคนที่มีปัญญานะี่ยไม่มีทรัพย์ก็สามารถเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาได้มีปัญญานะที่ห้าคำว่าถาว่าเรามีปัญญาด้วยมีทรัพย์ด้วยเราก็ทําบุญด้วยโมทนาด้วยของเราทําบุญทั้งหถวายสังฆทานเนี่ยสังฆทานเป็นทานมหาศาลอันสงมาก พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนใดจะไหวสังฆทานแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตด้วยศรัทธาเกิดไปกี่ชาติก็าตามถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดคนนี้จะยากจนเขินใจไม่ได้เลยดินแดนใดที่เต็ม ไ, ได้วยความทุกข์ขัดสนจะไม่เกิดในที่นั้นแต่ในสถานใดมีความดุจสมบูรณ์จะเกิดที่นั้นในสวายสังฆทานครั้งเดียวนะแต่พวกเราได้กี่ครั้งล่ะ ตอนนี้วันนี้เราจะคุ้ปัญญาที่สูงกว่านั้นอีกนิดนึ่งว่าการเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรก็ดีอาศัยบุญธรรมดานี่มันยังต้องกลับมาเกิดใหม่มีความหวังนันไม่พ่ายไม่แน่นอนถ้ากลับมาเกิดใหม่ถึงแม้ว่าจะรวยก็เป็นทุกข์คนรวยก็หัวตรงขี้ได้คนรวยก็ป่วยไข้ไปสบายได้ คนรวยก็ยังมีความเดือดร้อนใจได้ทุกอย่างในการเกิดมันเต็มไปด้วยความทุกข์นี่ต่อไปเราไม่หวังความเกิดก็ใช้กําลังบรรยายให้สูงกว่นั้นอีกนิดหนึ่งแต่ว่าปัญญาเบื้องต้นเนี่อย่าทิ้งนะครัโดยเพราะอย่างยิ่งทานบารมีเนี่อย่าทิ้งถ้าเราไม่ให้เองก็ยินดีกับเขาใช่ไหมอย่างว่าหรือว่าพวกปัญญาไม่จะก่อปัญญาไม่จะไม่ ช่วยคนสงฆ์ทานว่างช่วยที่เขาเตอร์บบ้างคือนี่คนที่อยู่เขาเตอร์จะลางกิจการมาช่วยคนสงฆทานเนาะแต่ความจริงนั่นมีบุญเท่ากันช่วยกิจการของสงใช่ไหมมีสองเสมอกัารเพราะว่าวิญาวยญาก่อนไว้เลยวิญยาวิญญาณใหม่ที่เขช่วยคุ้มขัญในบุุญสนตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาบไปถึสติวันโลกมีบริวารแปดพันคน ต่ำกั่นิน้นนิดเน้นที่บริสุทธิ์ที่บริวาลหนึ่งมคนแต่ถ้าเน้นไม่บริสุทธิ์ก็ลงนรกไปเลยเน้นเน้นนี่ยังขาดทุนเพราะว่ายายกอเ น, นี่ยเขาไม่ขาดทุนเขาทำอะไรเขาได้เันะนั้นทั้งก็ไม่มีการถอยหลังอย่างยกโศนี่เขาเป็นธรรมทายเขาพูดธรรมะให้บรรดาญาโยมเพื่อไปสัทฟัง ธรรมทานนี่มีอิสงส์งสูงมากที่พระเจ้าตรัสว่าสัพทานังธรรมทานังชินนาติการให้ทํามทานยนะทานทุกอย่างอิสงส์งสูงมากนะประานนี่แหละครับต่อไปชาติหน้าจะมีปัญญาดีจะรวยมากโอ้โจะมีเมียสวยๆสักแสนคนโอ้โ ห, โหแล้วจะด่าคนละคำก็แสนคำไม่ต้องทำอะไรกินเลย <c oughs> <c oughs> ี่ตอนนี้ไม่ไหว <c oughs> ไอตอนยิ้มค่อยชั่วหน่อยแสนยิ้มใช่ไหมคะ่ะตอน<ไ>ด่าเนี่แสนด่านี่ยแย่เหมือนกันนะ<ไ> <c oughs> นี่เราต่อไปเราก็ใช้ปัญญาให้สูงขึ้นคือใช้ปัญญายของประโสดาบันฮะเมือคืนนี้มีใครก็ถามปัญหาบอกเขพร้อมแล้วใช่ไหมเหลือแต่อนาคามียความจริงถ้าเป็นประโสดาบันนิสิกธาคามีแล้วพระอนาคามีนี่ไม่ยาก ก็ที่ตัดยากจริงๆก็ม ร, ระโสดาบันนี่ยากที่สุดเพราจิตมันชินกับความชั่วถ้าเราเป็นมระโศดาบันนี่จิตก็ชินกับความดีต่อไปมระโศดาบันมี็สามขั้นสตัตรคตตึงยังอ่อนอยังลงังยังกลางก็โกลงังโคละยังชั้นดีก็เอกภพชี ถ้าเป็นโสดาบันขันเอกวิชีเี่บางทีลรพลาดไปคิดพลาดคิดว่าเราเป็นอนนาคามียข้าอารมณ์ละเอียดมากความโกรธไม่อยากจะมีความรักไม่อยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแทบประทาบหน้ากันไม่เกิดอารมณ์พระโสดาบันเอกวิชี <c oughs> ไม่ใช่อนาคามีเพราะว่าบางทีจิตสงบมันมีขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเขาดา่ามาบันซึนนะี่นะ กำลังนั่งจิตสบายๆนึกเอ๊ะว่าวันซืนนี่มนด่ากูในวังไปแล้ว oh. แล้วก็หายไปรู้สึกช้าแล้วก็หายเร็วพอ oh. คิดมาปั๊บก็ตัดหายไปเลยไม่มีไม่มี oh. นี่เอกวิชีนะเอกวิชีกับสิศกิธาคารมีนี่มีลมคล้ายพึงกัน oh. พอถึงบศัศกิธาคารมีนี่อารมณ์มันเฉยมากจักย oh. ึดธรรมดาเป็นที่สุดนะ อารมณ์นองตังเกือบจะไม่มีเลยมีหลาองค์ที่เป็นพระสิกขาคามีคิดตัวเองเป็นพระอนาคามีเรียกว่าอารมณ์ความรักในระหว่างเพศอารมณ์อยากรวยรมโกรธนับเป็นเดือนมันจะโผล่มานึนาทีนับเดือนนะตอนที่ก็โผล่มาแป๊บประมาณหนึ่งวินาทีแล้วก็หายไปทีในี้ในขณะที่มันเกิดขึ้นมาท่นเกว่าถ้านเป็นอนาคามี เนี่ยพูดยาวไปถอยหลังมาใหม่แล้วก็ใช้อารมณ์วัสดาบันค่อยๆใช้แต่ว่าอารมณ์แรกเราจะไม่ทิ้งนั่นคือทานบบรมีทิ้งไม่ได้อย่างน้อยที่สุดตายจากชาตินี้ไปแล้วเราก็ไปเทวดาเป็นาปนางฟ้าได้แต่ทานบบรมีนี่เป็นสรมได้นะ ลมที่เคยพบแต่ว่าได้ชงได้ฌานนีม้มาได้ฌานคำว่<ม>าฌาญเขแปลว่าอะไรฌานก็แปลว่าความเคยชินเคยชินแต่ว่านี่กขาคนที่จะให้ทานเขาใช่อะไรต้องมีจารคารนุติกรรมฐานไม่กําลังใช่ไหมจิตคิดจะให้เป็นกําลังฮถ้าจิตคิดจะให้มันมีการทรงตัวก็เป็นฌานจารคารนุติกรรมฐานเป็นลมได้โอตรงนี้เองเนะ่ย ว่ากรรมานนี่ถ้าเข้าใจนี่ไม่มีอะไรยากผมลูกก็ต้องไปนั่งเฟ่งหลับไปตั้งแตื่นไอ้ประเภทนั่งหลักตาปีเร่งช้ายี่สิบต้นสิบปีน่ะเป็นการเลอะเทอะที่ไม่ดีลงนกละกเพราะความโง่ขาด <c oughs> ปัญญาบา ร, รมีอต้องใช้แบบนี้เอาแบบง่ายๆแล้วก็ไปดีน<ท>ะผมหลวงพ่อจะง่ายกว่าไม่ใช่หลวงพ่อนะอพระเจ้าท่านเพราะว่าก่อนจะลงมาท่านเตือนก่อน Oh, ฉันเนี่ยต้องเรียนทุกวันนะ oh, oh. ได้เราไปเรียนประจำวันวันนี้จะลงมาคุยเรื่องอะไรแ oh. ล้วไปคุยกับแขกไปรับแขกจะคุยเรื่องอะไร oh. อีก่อนจะไปลงและไปรับแขกจะถามว่าแขกวันนี้มีใครบ้าง oh. ที่มีอารมณ์ขนาดไหนท่าจะบอกรูปร่างลักษณะเครื่องแต่งตัวเสร็จ oh. ให้เห็นภาพเลย oh. ใช่ เ็แลว่าต่อไปเราก็ใช้อารมณ์ของพระโสดาบันคือคนที่จะให้ทานเนี่ยต้องมีหนึ่งเมตตาความรักสองกสงสุณนะ า, า, าความสงสารใช่ไหมนะถ้าที่เมตตาความรักกุณาความสงสารนั้นเป็นปัจจัยเกิดสินถ้าขาดเมตตาความรักกุณาความสงสารสินจะมีไม่ได้ที่ทุนเดิมมีอยู่แล้ว เราก็เริ่มนักษาสินสินที่เราจะรักษาแล้วรักษาเอาสินง่ายๆตัวไหนที่เราไม่เคยขาดรักษาไว้ดีอยวย้ายขาดอเพราะคนทุกค น, นต้องมีศินที่ยังเหลืออยู่นะใช่ไหมก็ขาดตกบกพ่อะมันบางสิขาบทให้บางสิขาบทเราก็ ย, ย้ำมันเขาเคยเกินมันมันพลาดถ้ามันพลาดก็คิดว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาเราจะไม่ละเมิดมันก็พผลออีกใช่ไหม ลูกขึอวังที่ว่าวันดที่เราจะไม่ละเมิดเตือ น, นมันอย่างนี้ตวันไม่ช้าก็ส่งตัวอย่าลืมว่าพระโสดาบันกษิกิทาคามีพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์แค่นี้เองของเื่อกล้ยกุ้ยทอดค้าวคำโสดาบันกษกิทาคามียังมีผัวมีเมียคนที่ยังไม่แต่งงานก็แต่งงานกันได้ แย่างนภิสาข า, าเป็นพระโสดาบานนันตั้งแต่อายุเจ็ปีพอายุที่หปีก็แต่งงานอาศัยที่มีบุญบารมีมากมีความฉลาดมากเป็นพระโสดาบันแต่เล็กใช่ไหมเลยมีลูก ท, ที่ยี่สิบคนก็เป็นว่าพระโสดาบานันเราก็ใช้ปัญญ า, าหนึ่งคนทุกคนที่เกิดมาต้องตายไหมข้อแรก กายยติถิใช่ไหมกายยติถิตัวเดียวตัดตัวกิเลสตัวเดียวว่าคนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องตายไหมเราก็ใช้ปัญญาหาความจริงว่าต้องตายคนทุกคนเนี่ยเคยมีพ่อมีแม่มีไหมมีครับไม่มีเกิดไปไงมีปู่ย่าตายายไหมม่ครับมีทวดไหมม่ครับ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 ในเมื่อเราจะตายแค่การตายไม่มีสภาพศูนย์ไอ้ที่ใครมาว่าศูนย์ก็เปิดไปเตะฉัพูดตามพุทธเจ้าฮะพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ศูนย์ฉันก็ต้องบอกว่าไม่ศูนย์ไม่ใช่บอกเฉยๆเชื่อด้วยแล้วก็มั่นใจด้วยว่าไม่ศูนย์ใช่ไหมในเมื่อไม่ศูนย์ไปไหนทางที่จะไปก็มีสองทางอะไรครับพื้นหนึ่งใบยภูมิ สถานที่นี้ดีมากมีความสว่างสวัยตลอดวันตลอดคืนไม่มีกลางคืนมีแต่กลางวันเพาไฟลุกเรื่อยไฟท่วมตัวมีหอกแทงมีดาบฟันมีค้อนทุบสบายมาก <It> s <S แล้วลตายก็ไม่ตายก็ไม่ตายเจ็บได้ต่อเวลา oh. อีกท่านหนึ่งคือสุขติมีสวรรค์เป็นต้นใช่ไหม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 เอาสาวอุปาทานสอาโศนกรรม oh. กิเลยเกลมเศร้าหม อ, องหุจิตที่จิตเสื่อมที่จิตไม่สบายปัญ oh. หามีความทยานอยากไม่จบอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นถือว่าการเกิดเป็นคนไม่ดี oh. อาโกศนกรรมอาศัยความโง่สร้างความไม่ดีให้มันเกิดขึ้น ถ้าทํายามโบติจำปบติสค้าขายตรงไปตรงมามันโดยชาไม่ต้องโกงไปโกงมาอเคคราวใช่ไหมครับถ้าจะถามว่าการค้าเราซื้อถูกขายแพงโกงไหมต้องตอบว่ามันยังไม่โกงคำงว่าโกงต้องหมายความของเลวบอกว่าเป็นของดีถ้าซื้อถูกราคาสิบบาทแต่เท่าตลาดเขาขายราคาสิบบาทเราต้องขายเสมอเขาใช่ไหมใช่ครับ<ข> <Watts> เขาถามลถจากนั้นได้ไหมล้วก็ตอบรถไปได้เพราะทุนมันแพง อ, อย่าไปบอกเขาว่าจะช่วยก้าวบาทนี่ลมนรกไงแงะขาดเป็นยาขาดเป็นาเห็นไหมนะก็เป็นเราว่าข้อหนึ่งคิดว่าชีวิตที่ต้องตายตายแล้วเราไม่ยอมไปอาบายภูมิมมการที่ไม่ยอมไปอาบายภูมิเราทำยังไง ก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับรับถือด้วยความจริงใจอย่าปรามาตยท่านคือย่าดย่าดูดุรุมินะไอคําว่าประมาตยดูุรุมินอันนี้จะเพราะพระสงฆ์ก็จะพราะพระอริยเจ้านะแต่พระสงฆ์ปกติที่ไม่ไหว สุปฏิปนโนภควโตทราบว่าตาาังโคอุทุปฏิปนโนภควโตทราบว่สั้งโคโอพระโ ส, าา ส, าาสาดาบันสีตาคานาคารหันตอนนี้ถามว่าถ้าเป็นพระที่บทธรรมดาธรรมดาเธอเขาไปสนใจอย่างนี้ไม่แน่นักดีไม่ดีเท่เนน า, าอะไรวะคณะว่าจะไปเยอะไปครับมีผ้ากาสาพัสเป็นรื่องของผ้าความดีความเลวไม่ได้อยู่ที่ผ้าอยู่ที่่อยู่ที่ใจอยู่ที่การปฏิบัติ นี่พวกเราถ้าไปทำบุญ sh ก <K ye sujet> ับพระประเภทนั้นเข้าอสิสฐานคนจะได้หนึ่งบาทก็ได้ไม่ถึงครึ่งสตังค์ี่นี่ยังเกรงใจนะโอ้โอ้ได้ไม่เกรงใจบอกว่าศูนย์เลยโอ้โหอย่างวัดเยี่แฟงครับอย่างสมเด็จโตธรรมเทศสมเด็จโตรรมเทศหวงวัดเยี่แฟงเนี่ยแกอาศัยมาจากเป็นแม่เล้าใช่ไหม อาเงินที่ได้จากแม่เลามาสร้างนิมนทั้งประเทศทั้งอนงเนชงเขาบอกว่าแม่อเนชงสามภัย <Okay. S 1> แต่ท่านบอกที่เกรงใจนะถ้าไม่เกรงใจจะบอกไม่ได้เลยเพราะเบียดเบียนเขา <Okay. S 1> ทรัพย์ที่ได้มาจากการเบียดเบียนคนอื่นตอนนี้เราก็มันหนึ่งคิดว่าชีวิตที่ต้องตาย ตายแล้เราไม่ยอมแย่ไหวภูมินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระทีะ่ทงไว้เป็นที่พึ่งยอมรับต้องถือด้วยความจริงใจนะอันนี้ข้อหนึ่งแล้วก็เป็นสองข้อสิพระโสดาบันนี้เข้าไปสองแล้วแล้วข้อที่สามสัตยโยตเป็นแค่สามข้อเราจะเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์และเราก็บริสุทธิ์ตามศีล ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรไหมบางบางคนก็มีสินบริสุทธิ์เขาเขียนกระดาษใช่ไม้มอ่ออานพลาสติกแล้วใส่เซฟไว้คุณระออกไม่แต่สินครับใช่สินวริสุทธิ์จะตัวเองไม่บริสุทธิเ์เราก็ต้องบริสุทธิ์ตามสินไอการที่เราจะบริสุทธิ์ตามสินทั้งไงใช้ปัญญาอีกนิดนึ่งวันนี้เราพูดเรื่องปัญญาบรารมี หนึ่งปานาจิปาตาเวและมณีสี่ขาปะดังสมาติยามิอย่างเรามีสงขาไปช่วยไก่สงขาก็ไป็นสี่ขาออข้อที่หนึ่งถ้าเราสามารถรักษาศีลได้ข้อที่หนึ่งนะหนึ่งตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาที่นางฟ้าได้เป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นนางเทวดาที่สวยนางฟ้าที่สวย ถ้าประการที่สองถ้ า, าเกิดเป็นคนก็เป็นคนสวยมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยอายุยืนยาวอายุตลอดอายุไข่้องคิดว่าถ้าเราขาดสิ่งข้อนี้เราไปไหนเราไปสวายาคู<อ>ถ้าไปสันชีพนรกสันชีพนรกที่เก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขานะ แล้วก็สามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนี่สองเดือนเป็นหนึ่งปีลรงคิดดูกแล้วกันเราไม่ควรไปนะครับแล้วก็สิ่งข้อที่สองอธินาธานาวีรมณีถ้าเราขาดสิงข้อนี้หนึ่งไฟไหม้บ้านสลมพัดให้บ้านพังสามขโมยเข้าบ้าน4ีน้ำท่วมทยเขรืของเสียหายถ้าเราไม่ละเวิดข้อนี้เกิดไปชาติหน้า ทรัพย์สมบัติจะมีความความสุขถ้าเยเือกเย็นจะไม่มีภัยจต่อันตรายทั้งสี่นะมีมาสิงข้อที่สามการเป็นสุเมชาจารย์ถ้าเรารักษาไม่ได้เกิดเป็นชาติใหม่จะมีคนในปกครองว่า ย, ยากสอนอยากถ้าเรารักษาไว้ได้จะเราจเกิดเป็นเดวดาเปน็นนางฟ้าลงมาคนในปกครองบ้างง่ายสอนง่าย มาสิ้นข้อที่สี่วาจาดีใช่ไหมถ้าวาจาผู้เราไม่ดีเราใสา่เคราคาสิ้นข้อนี้เกิดไปชาติหน้าจะพูดอะไรก็ตามนีน่ไม่พูดจริงไม่มีใครเขาอยากจะเชื่อถ้าเรารักษาไว้ได้เขาเกิดไปเทวดาก็ได้ไปทางฟ้าก็ได้ดถ้าลงมาพูดวาจาวิวาจาเสาะสิทธิ์หมายความพูดแล้วเขาเชื่อถ้าสิ้นข้อที่ห้าถ้าเราละรเมิด ละมัดอย่างอ่อนจะเป็นคนปวดหัวบ่อยๆระมิดอย่างกลางจะเป็นโรคสมองขาดระมิดอย่างแรงจะเป็นคนบ้าถ้าเราไม่ละมอดไปเกิดปีนาดาเได้เป็นทางฟ <popping. S 1> ้าก็ได้ถ้าเกิดมาเป็นคนจะเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบที่มนหมดเวลาก็เป็นว่าวันนี้ก็ใช้ปัญญาบารมีขั้นไปโสดาบันขึ้นหนึ่ง นึกถึงความตายสองยอมรับน้ำถอพระพุทธเจ้าประธรรมพระอริยสงฆ์สามีสินห้าปรสุย์และก็สี่ตั้งใจไว้เฉพาะที่พันเป็นอารมณ์ต่อที่ไปขอบันดาจังพุทธบริสัทธั์ถนายตั้งใจสมาทานสินสมาทานเป็นกรรมฐาน